ตอนอยู่กับปัจจุบันวันที่11ตุลาคม2558กาบน้ำมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมช่ชีกรลยมิตรทุกคนก็เป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะก็นั่งสบายสบายเนาะทีแรกบอกอาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดเพราะพรุ่งนี้ครูจะมาเข้าค่ายห้าวัน นะเพราะครูต้องพูดทั้งห้าวันก็มาร่วมปฏิบัติเราเช้าสายบ่ายเย็นเวลาที่เหลือเราก็ประชุมแล้วก็อบรมครูไปด้วยนะก็บังเอิญมีคำถามนะตอนนี้คนที่อยู่ทางไกลเขาก็รอฟังทุกวันอาทิตย์ ก, ก็ทำหน้าที่ให้มันเสร็จมันค้างมาอยู่หลายวัน เมื่อวานตอนปฏิบัติน า, นานาจิตตังแสดงว่าคนถาบอยู่ที่นี่เนาะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นนางลำพอหลุดพ้นออกมาเราก็รู้สึกว่าเราเป็นนกหรือเหยี่ยวบินหลบไปมาอยู่สักพักหนึ่งก็ล่วงลงมาวันนี้ตอนปฏิบัติอริยบทสี่ ถ้านอนเรารู้สึกว่าเราหลับตาแต่เรามีความรู้สึกว่ามันสว่างมากเหมือนมีใครเอาแสงสีขาวไฟสีขาวมาสง่งรู้สึกว่ามันเป็นแสงสีขาวที่สว่างมากโอเคนะถามเป็นสองข้อรู้สึกไม่ได้ถามนะ ก็คือบอกให้ฟังเฉยๆก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็คงบอกให้ฟังม่ามันเป็นแบบนี้คงอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนถ้าข้ามพ้นตัวอยากรู้ได้ก็ดีที่สุดก็คือเบี่ยงทิ้งนะมันเป็นนกเราก็รู้ว่าเวลานั้นอารมณ์นกเป็นยังไงอยู่ๆก็ร่วงลงมาคงถูกยิงหรืออะไรนะก็ก็รู้รู้อารมณ์เวลานั้นคำว่าอยู่ปัจจุบัน อยู่ปัจจุบันก็เดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบัน เ, เราย้อนไปอดีตตอนเป็นนกก็อยู่ปัจจุบันในการเป็นนกรู้อารมณ์นกในเวลานั้นเรียกว่าปัจจุบันกาลนะเราก็รู้อารมณ์ในเวลานั้นนะอย่าไปเอารมณ์นั้นก็มาไปรียบเทียบกับอารมณ์นี้นะไม่ต้องก็อารมณ์นั้นเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเหมือนเหมือนนางลำเราก็รู้ว่าตอนนางลำเหนียลำแล้ว รู้สึกยังไงก็รู้จักอารมณ์เวลานั้นนะมันเป็นธรรมในธรรมนะอันนี้เป็นเรื่องของอดีตชาติมีกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตถ้าเราเข้าไม่ถึงจิตในจิตเราจะไม่สามารถเสพอารมณ์ธรรมในธรรมธรรมในธรรมนี่คือธรรมอารมณ์นะเป็นเวทนาในอดีตซึ่งบันทึกไว้เป็นสัญญาเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วละ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้กับอารมณ์นั้นเห็นไหมชาตินี้เราไม่เคยเป็นนางรำ ตอนนั้นเราก็เป็นนางำํำเราก็รู้ว่าเออนางลารู้สึกอย่างไรนะรู้สึกสุขหรือทุกข์บางทีถูกบังคับให้ลาเพราะเป็นหน้าที่เราเนี่ยแต่ข้างในลึกๆมันทุกข์ก็ได้นะเอาเป็นว่าเราใช้อารมณ์นั้นน่ะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติก็ได้นะเป็นการเจริญสติในในอดีตเว่าปัจจุบันนี้เป็นการเจริญมรรคจิตนะนี่ก็คือมรรคจิต นะ่ะคือเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วก็ไปเสพไปสัมผัสอารมณ์นั้นก็เรียนรู้กับอารมณ์นั้นบางทีอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นนางลามีความสุขอยู่ดีๆปุ๊บเกิดเหตุฉับพันปุ๊บเนี่ยความสุขนั้นหายไปกลายเป็นความทุกข์นะเราก็เห็นความเกิดดับหรือความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นออแล้วก็ตายปุ๊บแล้วก็กลายเป็นนกเป็นเหยื่ย อ, อบินไปบินมาอยู่ๆก็ล่วงลงมาในฉับพันเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงปฏิบัติวิปัสสนานั้น ไม่ใช่ให้ไปเห็นนระกสวรรค์เห็นอะไรน่ะส่วนเห็นนกเห็นอะไรเห็นนรกสวรรค์ก็ช่างเนี่ยเพื่อให้เห็นอารมณ์นั้นแล้วก็สุดท้ายก็เห็นว่าอารมณ์นั้นน่ะมันไม่เที่ยงนะอารมณ์สุขก็ไม่เที่ยงอารมณ์ทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเมื่อจิตเราเข้าถึงตรงนั้นเรียกว่าเราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นเองนะ ไม่ใช่ไปดูเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระอะไรๆพวกนั้นนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้เรารู้เฉยๆแล้วทีนี้แล้วเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไงนะเราไปเข้าใจว่าปัญญาต้องรู้มากรู้ที่มาที่ไปของมันมีเหตุมีผลอันนั้นกลายเป็นองค์ความรู้มันไม่ใช่ปัญญาปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็สลายนะนี่แหละมันเป็นแค่นั้น อารมณ์ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปก็สลายอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็สลายนั่นแหละเราสัมผัสความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จิตมันก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็ที่เห็นแสงโ น, น่นแหงแสง น, นี่อันนี้อันนี้เรียกว่าแสงธรรมก็ได้นะมันเป็นพลังงานของจิตที่บอกว่าสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างต้องเริ่มจากสงบก่อนนะสงบก็เริ่มจากสมาธิ นะสมาที่เป็นเอกามีพลังมากๆคนระวางเราก็ว่างพอว่างปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นพลังจิตบางคนเห็นสีไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นสีใสสีขาวบางคนเห็นเป็นสีม่วงสีอะไรพวกสีนี่มันเกี่ยวกับอารมณ์จิตในเวลานั้นๆเอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นแสงธรรมก็ได้แต่แสงนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเห็นไหมไอ้แสงตัวนี้เนี่ย มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันก็เป็นของชั่วข่าวนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คงไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเพราะไม่มีคำถามเลยมีแต่คำบอกกล่าวนะพรากรูก็รับรู้เนาะการก่าวพ่อครูสามครั้งหมายถึงอะไรคะหนูอยากทราบความหมายคะ่ะหนูไม่ค่อยเข้าใจขอบคุณคะ่นะก็ รูปแบบแบบหนึ่งเอาไปน่าเป็นวัฒนธรรมเป็นจริยธรรมขององค์กรก็ได้อย่าไปยึดมั่นถือมันแล้วก็ไม่ไม่ใช่ภาคบังคับคือเราคุ้นเคยว่าการกราบพระตนณฐัยคือเรากราบพระพุทธรูปเนี่ยคือเรากราบคือสัญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะกาบบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องกราบครั้งหนึ่งเห็น ไ, ไหมแต่เมื่อเมื่อกี้นี่เราทําวัดเย็นเรากราบห้าครั้ง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบพ่อแม่กาบครูบาอาจารย์แต่ที่เบตนี่เขาเดินไปเขาภาวนาตัว เ, เดินกี่กิโลเขาก็กราบกาบกาบกาบกาบกราบกาบแต่ทุกกาบของเขาเขาแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วกาบผ่านครูบาอาจารย์เราก็ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมันมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะและไม่ใช่เป็นลัทธินิกายว่าจําเป็นต้องทําอย่างนั้นนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทํา แต่การกราบเนี่ยการกราบการไหว้เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอุบายวิธีทำให้เราลดอัตราตัวตนเรานอบน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุณสร้างศรัทธาให้กับตัวเองจิตเราเป็นเด็กยังพึ่งตนเองไม่ได้นะยังเรากราบพระพุทธรูปเนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระพุทธรูปนี่เป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์เป็นภาพเหมือน เรากราบเนี่ยเพื่อเราลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่กราบในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอโนอนขอนี่นะอันนี้เราเข้าใจผิดละนะมีลางรัินี่เขาด่าเลยนะพวกกราบเขาเรียกก้อนหินพระอิดพระปูนนะมันก็มีคนแล้วแต่ว่าใครจะเชื่ออันนี้ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อ มันก็เป็นประเพณีเป็นจริยธรรมจริยวัรของพุทธศาสนาเราก็เป็นเหมือนเรามีรูปในหลวงองค์ในหลวงเราเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะเราเห็นรูปเราคารวะคาวะรูปก็เราร ะ, ะลึกถึงพ่อหลวงของเราท่านเป็นผู้เสียสละนะดูแลบ้านเมืองเราเรากับพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ล ะ, ละลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลส อิสลามเขาเนี่ยเขาต้องละหมาดวันหนึ่งหครั้งทํางานที่ไหนก็ช่างต้องมีห้องระบาดให้เขานะเป็นการหยุดทุกอย่างมาเจริญสติดึงตัวเองมาอยู่กับตัวเองเพราะเราทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเวลามันยาวไปเนี่ยแล้วจะไปอินอยู่กับอารมณ์นั้น เ, นเรารับอารมณ์เข้ามาเละเลยขาดสติการกราบการไหว้เนี่ยเหมือนเตือนสติแนะม้กระทั่งโจรนหนีนนตํารวจมาถึงที่นี่เห็นพระปุ๊บมันก็ยกมือไหว้ก่อนนะคล้ายว่า มันเป็นอุบายวิธีนะเป็นอุบายวิธีเพื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ก่อนจะเราทาชั่วทาบาปเห็นพุตรีเจ้าปุ๊บเราก็ละอายต่อบาปและที่กราบไหว้ที่สำคัญคือว่าเหมือนเตือนสติเราเนี่ยนะเราต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองเชื่อมั่นในคำสอนพุทธองค์และจะมุ่งมั่นทำตามลอยพระพุทธองค์นะ สิ่งที่พระองค์เหลือให้เราคือาศาสนาพุทธแล้วก็สั ญ, ญลักษณ์เกิดมาช่วงหลังเองนะสมัยพุทธกาลเองก็ไม่มีนะก็เกิดจากช่วงหลังเนี่ยเขาก็พุทธเจ้าไม่อยู่แล้วไงก็สร้างสั ญ, ญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อเตือนสติแล้วก็สิ่งที่พระองค์ส่งเหลือมาให้เราก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะซึ่งบนเศียรองค์พระนี่ก็บรรจุอยู่และตอนนี้บนสารีริกธาตุของพระองค์เนี่ย ขยายไปทั่วโลกที่เรากลาวไหว้ผู้มศได้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะเหมือนตัวแทนพระองค์นะเรากราบครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์เหมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าถ่ายทอดคําสอนพระองค์ต่อมานะการกลาบไหว้เป็นอุบายวิธีทําให้เราเนี่ยสร้างศรัทธาให้กับตัวเองนะแล้วก็เป็นการเตือนสติทําให้ตัวเองนอบน้อมถ่อมตนทําลายอัตตาตัวตนนะ มันเป็นแค่สมมุติบัญญัติอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราใช้มันเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อเตือนสติเราก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไหว้พระพุทธรูปในในเรื่องหลงงมงายว่าเราเลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วขอโน่นขอนี่อันนี้เราหลงทางละพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําสอนพระองค์เนี่ยถ้าเราทําจริงเราพ้นทุกข์ได้ นะหูทิพตาทิพห์เห่อเดินอากาศได้ท่านที่มาจากกรุงเทพบางทีบินจากกรุงเทพมาอุบลชั่วโมงหนึ่งถึงแล้วเหอได้นะเออหูทิพคุยกับเพื่อนที่โตเกียวก็รู้เรื่องนะเออตาทิพเขาแสดงละครอยู่ปารีสเราก็เห็นนะแต่มันไม่ทาให้เราพ้นทุกนะพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก่าไวไหว้ เพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีหน้าที่ทําตามที่พระ อ, องค์ทําไม่ใช่มีหน้าที่ไปท่องจําสิ่งที่พระ อ, องค์พูดรู้หมดเลยแต่ว่าไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์นะก็ศูนย์เนี่ยเรามาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเราไม่ได้มาทํางานเราไม่ได้เรียนวิชาอะไรเรามาใช้ชีวิตนะมันเป็นวิถีนะเราดํารงชีวิตที่นี่ตาม คำสอนพระริจ้ามันเป็นวิถีนะก็ไอเรื่องกราบไหว้อะไรเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเราจะใช้อุบายตัวนี้เนี่ยเพื่อเตือนสติเราในยะอะไรนะธรรมดาเราบอกกราบพระหมายถึงพระภิกษุก็เหมือนเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ถ้าไหว้พระสงฆ์จริงจะไหว้ไหว้ไห ว, ว้ครั้งหนึ่งนะบางแห่งเขาบอกให้ไหว้ครั้งเดียวก็พอแค่พระสงฆ์ แต่ทำไมเมื่อไหนไหนก็ไหว้แล้วเนี่ยเราก็ถือโอกาสละลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยก็ไหว้าสามครั้งไปเลยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรแต่ว่ามันเป็นการอุบายในการเตือนสติเราให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกละ ล, ลึกถึงพระธรรมนะเออลึ ก, ล ก, ลกพระสงฆ์ในที่นี้น่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือพระอริยสงฆ์ จิตซึ่งเข้าถึงธรรมแล้วเรียกว่าพระสงฆ์พระอริยะสงฆ์ในพระตนาไตสงควรต่อกร า, าบไหว้และบูชาเมื่อกี้บอกพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือผู้เห็นธรรมมาก่อนพระธรรมไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่คู่โลกคู่จักรวาลมีมาก่อนแล้วนะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติอีก แต่พระ อ, องค์ไปตัดสรุปมาไปเห็นมาก็เอามาบอกกล่าวเท่าที่บอกได้ไอ้ส่วนที่บอกได้กลายเป็นภาษาแล้วนะกลายเป็นองค์วิชาทีนี้กลายเป็นภาษาภาษามันหยาบเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนบรรลุธรรมเข้าใจหมดไม่ใช่ผู้เจ้าต้องบอกอย่าเพิ่งเชื่อตำลานะพระ อ, องค์บอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดนะในพระธรรมนี้บอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมบุญนั่นเห็นเราตถาคต เมื่อเราเห็นทมเราเห็นจิตแล้วจิตเห็นจิตคือมากแล้วแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็อ๋ออ๋อออ อ, อแล้วก็เข้าใจสิ่งผู้เจ้าต้องการบอกเราเพราะสิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้มันเป็นปัจจัดตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ใช่เฉพาะตนพระธรรมในที่นี้ในพระรานายจึงไม่ใช่เป็นเพียงคาสอนนะแต่เป็นสิ่งที่ถูกเห็น เขามีอยู่แล้วคู่โลกคู่จั ก, กรวาลส่วนพระสงฆ์ในที่นี้ในพระรัณนไตเนี่ยคือจิตซึ่งเห็นธรรมตามมาจิตซึ่งเห็นธรรมตามมานะเรียกว่าสี่คู่แปดบุรุษตั้งแต่โสดาปฏิมร์จนถึงพระอรหันต์โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลคู่แรกสกิทาคามีมร์สกิทาคามีผลคู่ที่สองอนาคามีร์อนาคามานิผลเนี่ยคู่ที่สาม อรหัตมักอรหัปนคู่ที่4สี่คู่8บุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชาเรากราบเราไหว้จิตซึ่งเป็นสงส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพุทธบริษัทสีเนี่ยเป็นผู้สแสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมนะก็ที่คนโบราณก็บอกเออเด็กๆมันกราบผู้เฒ่าผู้แก่เออกราบพระท่านลูกนะ นะคนจีนก็บอกพระอยู่ในภูเขาจิตโฟใจหลิงซานมันอยู่ข้างในอย่ที่ว่าจิตดวงนั้นนะ่ะเข้าถึงธรรมหรื อ, อยังขั้นต่ำสุดคือโซดาปฏิมาขึ้นไปก็เรียกว่าได้วีซ่าแล้วไม่มีนรกอีกแล้วนั่นแ่ะคือกาคือไหว้พระคือกราบพระนะก็ก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากมาย แต่ถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยเป็นการเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเขาเรียกว่าพุทธานุสตินะธรรมานุสติสังคานุสตินะเป็นการเตือนสติบ่อยๆนะไม่ใช่กาบไบในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอน่นขอนี่อันนี้ถือว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพึ่งตนเอง พระ อ, องค์ฝืนกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้นะเห็นไหมสมัยพุทธกาลเองเนี่ยนะก่อนที่พระเจ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยพระ อ, องค์มีพี่ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อชื่ออะไรนะเทวทัตนะโตมาด้วยกันนะแล้วก็เทวทัตตามไปบวช ด, ด้วยละ่ะบวชในบรวรพุทธศาสนาละ่ะ พระ อ, องค์ยังโปรดเทวทั์ไม่ได้พระ อ, องค์ฝืนกรรมของเทวทั์ไม่ได้เห็นไหมพระ อ, องค์บอกเราพึ่งตนเองนะแต่เราเป็นจิตเราเป็นเด็กเราก็ยึดพระ อ, องค์เป็นศารณะไม่ใช่ยึดมัน่นถือมัน่นนะยึดพระ อ, องค์เป็นสารณะเป็นแบบอย่างเพื่อเตือนสติเราให้เรามุ่งมัน่นนะถ้าเราขาดสติเราไม่มุ่งปั้นปุ๊บมันในใจเราเองมันจะหลอกเรานะ มันจะหลอกเราเราจะผ่านไม่ได้ก็การเรียนพวกครูนะคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากปฏิบัติมาหนึ่งปีลูกควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมากค่ะความรู้สึกไม่โกรธกับเรื่องต่างๆแม้กระทั่งกับสามีก็ทำได้ดี แต่เรื่องที่เกี่ยวกับลูกอันนี้ตัวใหญ่นะยังควบคุมได้ยากมากค่ะรู้รู้เท่าทันว่าโกรธแต่ก็ยังสร้างวาจีกรรมอยู่พยายามหาเหตุผลที่ทำให้โกรธก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่รักษาเวลาดูกลายเป็นโทษเด็ก ไปสังงานใช่ไหมซึ่งแม่ซึ่งแม่ต่างหากที่ผิดที่โมโหในสิ่งที่เด็กทำไม่ได้ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่อยากทำแต่แม่คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนึกเสียใจที่ดูลูกน้อยใจที่สอนแล้วลูกไม่เชื่อฟังพ่อครูช่วยชี้แนะ แนวทางกนนารนำไปปฏิบัติแก้ไขหรือสาเหตุให้เข้าใจได้ไหมคะคำว่าลูกเนี่ยยิ่งใหญ่มากเนาะเพราะว่าลูกก็คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งของเรานะเขาอยู่กับเราก้าวเดือนเดือนอยู่ในท้องเราเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราคำว่าแม่กับลูกนี่ผูกพันมากกว่าพ่อกับลูก แน่นอนต้องมีพ่อด้วยนะสิ่งนี้ถึงจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเป็นกรรมร่วมอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นแม่ลูกกันนะสา ม, ามีภรรยาเป็นเพื่อนฝูงกันหมู่คณะกันเนี่ยมันไม่มันมีเหตุของมันอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะทีนี้ไอ้ความผูกพันตรงนี้แหละความรักที่เขาบอกว่าความรักซึ่งพ่อแม่มีต่อลูกเนี่ยบางคนก็เปรียบเหมือนพระอะหันเลยนะ เหมือนผ้าอรหันของลูกเลยล่ะบางคนก็เปรียบเหมือนพมของลูกทําไมถึงเปียบอย่างนั้นพ่อแม่รักลูกเนี่ยไม่มีอามิตรในแง่ว่าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรอกรักนะรักลูกห่วงลูกบังเอิญในยุคนี้เรารักเราห่วงแบบแบบวัตถุนิยมเพราะวิถีชีวิตเรามันอยู่ได้ด้วยวัตถุด้วยเงิน ทุกอย่างเราก็กำหนวดว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้องนี้อนาคตมันถึงไม่เดือดร้อนและความกังวลมันก็เกิดขึ้นกับแม่แม่อยากตามอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เราต้องการเราจึงจะมีความรู้สึกอบอุ่นสุขใจใช่พอพอลูกไม่ทำตามเราก็ไม่ได้ดั่งใจเห็นไหมแล้วก็เผอเห็นไหมเผอไปดูลูกพอดูลูกปุ๊บเนี่ย เราย้อนมาถามตัวเองเราลักลูกจริงหรือเปล่าเราก็มีข้ออ้างอีกที่เรารักมันไงเราถึงดุมันเห็นไหมละ่ะทีนี้แม่ก็เครียดลูกก็เครียดใช่หไหมเรารักตัวเองหรือเปล่ารักตัวเองทําให้ตัวเองเครียดทําไมเรารักลูกเราจริงหรือเปล่ารักจริงเราทำให้ลูกเราเครียดทําไมเห็นไหมส่วนมากเรารักอนาคตลูกมากกว่าเห็นไหม ชีวิตเราคือปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกชีวิตเราอยู่แค่นี้ถ้ามันหายใจเข้ามันไม่ออกก็ตายละมันหายใจออกไม่เข้าก็ตายแล้วชีวิตเราอยู่ปัจจุบันนะไม่ใช่อนาคตแต่ทีนี้ทุกคนห่วงอนาคตห่วงอนาคตของลูกนะกลัวไปหมดเล ย, ก ล, เยงงกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็มา สร้างความเครียดให้ตัวเองไปตั้งความหวังนะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเป้าชีวิตดีอยู่แล้วถ้าไม่มีเป้ามันก็สเปสเระสปะนะอย่าไปหวังมากหวังแล้วเราจะผิดหวังแล้วก็เดินไปตามเป้าบางอย่างเนี่ยเราหวังได้เราตั้งเป้าได้แต่มันจะเป็นอย่างที่เราหวังไหมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไงมันไม่เที่ยงเพราะครูเคยเล่าบ่อยๆ มียายคนหนึ่งเลเลี้ยงหลานที่บ้านนะนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านเป็นบ้านสองชั้นหลังคาสังกสีชั้นสองเนี่ยเป็นไม้นี่อยู่ข้างสะพานที่วลินข้ามไปอุบลปีนั้นเขามีงานอะไรโดดร่มอยู่ทุ่งสรีทุ่งสีเมืองเนี่ยห่างจากบ้านคุณยายประมาณสองกิโลเมตรบังเอิญร่มมันไม่กาง ก็มาตกอยู่หลังคาบ้านคุณยายทะลุลงมาจา ก, จากชั้นสองไม้ก็พังในขณะนั้นมังเอิญหลา น, นก็วิ่งวิ่งไปวิ่งไปไหนมาดูคุณยายนั่งอยู่ดูทีวีคุณยายโดนทับตายอยู่บ้านนี้ปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยไหมไม่ต้องออกไปในข้ามถนมนแล้วถีรถชนตายนะอะไรอยู่บ้านแล้วปลอดภัยแล้วแล้วทำไมตายอันนี้เ็าเรียกว่าอะไร ที่นี่ก็เห็นนะตัวอย่างเนี่ยสองปีกว่าอาจารย์อ้อยเนี่ยเมื่อกี้เดินมายังกับคนแก่ถือไม่เท้าทีละก้าวทีละก้าวพราครูมองเอ๊ะหายไปสองวันละกําลังจะถามปุ๊บเออแสดงว่าถึงคิวอีกแล้ว <c oughs> อาจารย์อ้อยช่วงสองปีนี้กําลังสร้างกรรมดีสร้างความดีน ะ, จะเจริญวิปัสนาทุกวันแล้วกําลังทําความดีทําไมปุ๊บนะฉับพันเลยนะ อยู่ๆก็เป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่นะไม่ใช่สิบหกสิบเจดครั้งแล้วว่เดือนละครั้งเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็เราทำความดีอยู่เนี่ยถ้ามอยู่ๆก็เป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เรียกว่าอุปาคาตกรรมเมื่อกี้อาจารย์อ้อยก็รายงานพ ก, กูบอกอ้อยเอาไม้ท่อนบุกใหญ่ๆเลยเตีมคนตายบอกไหนบอกเราเป็นคนดีไงมันเป็นเรื่องของอดีต อุปคาดกรรมมันมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบเห็นไหมเรากําลังทําดีอยู่สองปีนี้อาจารย์น้อยไม่ได้ไปทําไหนไม่ได้ไปสริ้งสร้างกรรมอะไรเลยมุ่งมัน่นบําเพ็ญเพียรแต่ทําไมมีกรรมพวกนี้แทรกเป็นช่วงๆเห็นไหมอุปคาดกรรมนี่มันสามารถตัดตอนกรรมปัจจุบันเลยล่ะกูจะทําดีก็ช่าง แล้วเราก็เห็นไหมครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยบวชจน 3, 4, 40, 000, สามสี่สิบพรรษาสี่ห้าสิบพรรษานะอยู่ในกรอบพินัยตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> พอถึงวันปิ๊งลักเก่าแสดงตัวปุ๊บนี่ออกไปแต่งงานอันนี้ก็อุปคาดกรมทั้งที่ว่าตลอดชีวิตนี้เราทุ่มเทมุ่งมั่นบวชมุ่งมั่นบาเพ็ญเพียร แล้วมันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงอันนี้ก็อุปคาตกรรมองค์คุลิมานผิดศีลไหมฆ่าสัตว์ไหมฆ่าคน999อุปคาตกรรมเกิดขึ้นทันทีแต่ฝ่ายบวกได้มาเจอพระพุทธเจ้าทำให้ดุดพ้นได้มันไม่ใช่เรื่องชาติใดชาติหนึ่ง แต่ถ้าเราขาดความมุ่งมั่นแล้วอุปค่ากามเกิดขึ้นมาทครั้งนียพอเดี้ยงปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ีโอกาสปฏิบัติต่อฝ่ายกุศลเราก็มีไงทำให้เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับความเจ็บปวดนั้นเหมือนเราลม้มลงไปพอตั้งหลักได้ลุกขึ้นมาเราก็เดินต่อแต่หลายคนโดนทีเดียวน็อกเลยมันจึงไม่มีสูตรสมเร็จว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ แต่ผู้องค์พระพุทธองค์เตือนเราว่าอย่าประมาทเราไม่รู้หรอกมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะกี่ชาติกี่ชาติเราสร้างกรรมไว้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันเรามีหน้าที่สะสมแต้มนะอย่างน้อยถ้ามีกําลังโอเคอุปาค่าดกรรมมันมามันไม่ใช่ว่าเราเราทำความดีซึ่งว่ามันมาร้อยหนึ่งเรารับแค่ห้ิไม่ใช่นะมันก็มาเต็มร้อยเลย แต่เมื่อเอินกำลังที่เราฝึกมาเนี่ยมันมี90สบนะมันก็เจ็บแค่สิบรู้สึกเจ็บแค่สิบมันก็ฟื้นขึ้นมามันก็เดินต่อแต่ถ้าเราไม่มีกําลังตัวนี้นะี่ยโดน90บถึงหนึ่งนอกเลยบางทีไม่ใช่ตลอดชีวิตนะมันก็ส่งผลข้ามภพข้ามชาติอันนี้ท้าบอกว่าวัตตาสงสารมันน่ากลัวมากอย่าประมาท มียายคนหนึ่งพอครูมาอเมริกาใหม่ๆอยู่สำนักหนึ่งเขาก็บนตั้งแต่จำความได้ยายไม่เคยทำความชั่วเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เจ็บๆออๆดๆแดกแอดบอกคุณยายไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะเห็น ไ, ไหมโดยเฉพาะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะเป็นธรรมดาเราอยากไม่อยาก มันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายนั่นแหละอยู่ที่ว่าถ้าเรามีบุญกุศลมากมายเนี่ยความรู้สึกที่เราเจ็บเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้สึกเจ็บมากเท่านั้นเองนะอุปคาตกรรมนี่มันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลานะแล้วก็ฉับพลันเลยเกิดอุบัติเหตุตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นก็อุปคาตกรรมนั่นแหละแต่ฝ่ายบวกมันก็เกิดเห็นไหมองคุรีมานฆ่ามาดีๆนี่่ า, ามาาา อีกแค่ชีวิตหนึ่งจะไปโปรดแม่ตัวเองไปเข้าใจผิดแล้วว่าการฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยให้หมดเปรนหมดกรรมไปเร็วๆอุปคาตกรรมทา้งฝ่ายบวกเกิดกุศลขึ้นมาได้ไปพบผู้ที่เจ้าเตือนสติปุป๊บตื่นมารลุธรรมนะเอาเป็นว่าพวกเรามีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทีนี้กรรมเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนพระครูก็เคยบอกแล้วว่ามันแยกเป็นสามส่วนใหญ่ๆนะกรรมเนี่ยนะกรรมมันส่งผลตามหน้าที่มัน ทำดีๆทำชั่วๆทาสีขาวมันจะเป็นสีดำไม่ได้แห้งมันก็เป็นสีขาวมันทำตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์กี่แสนล้านก็ล้มคดีไม่ได้นะอันที่สองคือกรรมส่งผลตามกาลังกาลังกรรมแต่ละลูกมันไม่เท่ากันนะแต่ละลูกมันไม่เท่าเท่ากันไอ้ลูกโตๆมันจะเกิดขึ้นฉับพันหรือเกิดขึ้นในชาตินี้หรือชาติหน้า ลูกลองลงไปก็ชาติต่อต่อไปนะอันนี้คือกรรมส่งผลตามกําลังของมันกําลังกรรมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงทุกวันนี้เราสร้างกรรมหรือเปล่าเนี่ยกรรมชี้เจตนาเราทําอะไรก็ช่างอยู่ที่เจตนาที่เราทําเนี่ยเรามีเจตนาไหมอย่างพระอรหันเนี่ยเดินมาเนี่ยเคยมีหลวงตารูปหนึ่งนะเกกว่าอายุ90กว่านะบวชมาตั้งแต่เป็นเนรเนะ่ยนะนะ ท่านลงรถมาท่างก็เดินมาจากถนนใหญ่มาที่นี่จะข้ามไปลาวก็ามาค้างแรมกับพ่อกูก็นั่งสนทนากันพ่อกูก็ถามว่าหลวงตาเหาะมาหรือเปล่าบอกท่านไม่ท่านนั่งรถมาแล้วก็มาเดินหน้าดูหน้าปากทางท่านก็เดินเข้ามาหลวงตาอย่าแกล้งลืมนะรถที่หลวงตานั่งมาในเหยียบมดตายทั้งหลายตัวนะหลวงตาเดินมานี่อาจจะเหยียบไส้เดือนเหยียบมดตายด้วยเนี่ยนะแต่ท่านไม่ได้ทําอะไรเลยท่านไม่มีเจตนา แต่ถ้าเราจับพดมาตัวหนึ่ง <c oughs> นะบันทึกเต็มเต็มเลยกรรมนั้นกลายเป็นวิบากกรรมตายเราไม่จบมันบันทึกเป็นสัญญาอยู่ในนั้นนะนี่แหละกรรมส่งผลตามกาลังและอันที่สามเนี่ยกรรมส่งผลตามเวลาถ้าเวลายังไม่ถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่เกิดนะ อันนี้ส่งผลตามเวลานะอันนี้ส่วนสามอย่างนี้ทางวิชาการเขาก็แยกย่อยไปแยกไปอันนี้โอเคมันใครอยากรู้ก็ไปอ่านเอาจริงๆแล้วไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แต่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้เจ้าตัดสรู้สาวิชาสามวิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติ พระองค์ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษเนื่องจากพระองค์ไปละลึกชาติเห็นอดีตของพระเองสมัยเป็นวเวสสันดรเป็นอะไรหลายเยอะแยะนะไอตัวนั้นเป็นประสบการณ์ทําให้พระองค์เห็นเรื่องกรรมก็เลยตรัสรู้วิชาที่สองคือจตุปาตยานญานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมนะทำไมเกิดเป็นผู้หญิงทําไมเกิดเป็นผู้ชายทําไมเกิดเป็นเต่าทําไมเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมว นะอันนี้เป็นกรรมย่อยคือว่าชนกกรรมทำให้ไปเกิดนะส่วนเกิดเป็นอะไรนั้นต้องอาศัยอุปถัมภ์กรรมนะเอาเป็นว่านั้นเป็นเรื่องข้อปิดย่อยเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าวิชาที่สองที่วิจารณ์รู้คือรู้พระองค์ไปตัดสู้นว่าเราเกิดเพราะกรรมเราตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนสั่งให้เรามาเกิด โปรแกรมกรรมบันทึกในจิตเราเนี่ยนะในฮาร์ดดิส์นะเผาไม่ไปได้ตายแล้วเอาไปเผากี่พันองศาใั้ก็ร่างกายกลายเป็นเท่าเป็นอากาศธาตุแต่โปรแกรมนี้เผาไม่ได้ธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรไอ้โปรแกรมนี้จะส่งผลให้เราไปเกิดอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเร็วลงนะอันนี้ก็ ต้องอยู่ในเงื่อนไขเวลาด้วยนะที่นี้เราไม่รู้หรอกกรรมดีกรรมชั่วมันไล่บี้กันมาอยู่เมื่อเราบุญเยอะมากได้เจอคำสอนผู้เผยเจ้าแล้วเรามีหน้าที่ปัจจุบันสร้างกรรมดีเพิ่มเห็นหนกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันก็คือผลเช่นเดียวกันเห็นหองคุริมาลขนาด เผอไปสร้างกรรมชั่ว9ฆ่า9 9 9าคนน ะ, นะเวลานั้นอ่ะอุปคาตกรรมโผล่ขึ้นมาเนี่ยเอาส่วนที่กรรมดีให้มาเจอพระพุทธเจ้าเห็นไหมอุปคาตกรรมนี้มันตัดกรรมในเวลานั้นเลยนะมันกลับกรรมชั่ว999าส น, นั้นเลยนะก็คือว่ามันส่งผลเลยนะแต่ไม่ใช่ว่ากรรมที่องคุริมารสร้างแล้วมันจะหายไปไหนนะไม่หายไปไหนนะ เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไปบินทบาตยังถูกเขาลูกเมียเขาฟ้าง ห, หัวล้างข้างแตกท่านก็ต้องรับกรรมนั้นแต่ว่าท่านไม่ทุกจนกว่าวันไหนที่รันท่านละสังขารแล้วเนี่ยนะละสังขารไปแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้กรรมมันก็ไล่บี้เราไม่ได้โอเคนะก็ ก็ทำได้ดีแล้วนะปฏิบัติแล้วก็โอเคใจเย็นลงแล้วสหรับสามีแล้วเนี่ยก็ ก, ก็ก็ดูเท่าทันแต่สำหรับลูกแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเยอะๆนะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากเราทำหน้าที่เราดีที่สุดมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องเครียดลูกก็ไม่ต้องเครียดนะแม่ก็ไม่ต้องเครียดนะอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังอะไรมากมายทาให้มันดีที่สุดก็พออะไรจะเกิดมันก็เกิดนะ ไม่ใช่ไปคาดหวังอยากเป็นน้อนอยากเป็นนี่โดยเฉพาะเรามาเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วนะถ้าเราละลึกชาติได้เนี่ยกองกระดูกแต่ละดวงจิตนี่สะสมเท่าภูเขาพระซูเมนดูว่าเราเกิดมาตั้งกี่ชาติแล้วเป็นมาหมดแล้วนะเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติตัดตอนกระแสกรรมเพื่อไม่ให้เป็นอีก เพื่อไม่ต้องเป็นอะไรอีกไม่ใช่อยากหวังว่าลูกจะเป็นนู้นเป็นนั่นในนี่นะลูกมันก็เครียดแม่ก็เครียดพ่อก็เครียดนะเอาเป็นว่าเด็กๆมีหน้าที่เรียนสังคมทุกวันนี้มันบอกให้เรียนเราก็เรียนเรียนอย่างมีความสุขอย่าไปทุกข์กับมันนะพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกก็เลี้ยงไปอย่าไปคาดหวังอะไรมากคาดหวังมากตัวเองก็เครียดลูกก็เครียดไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดเออทำเท่าที่เราทําได้ คำถามเกี่ยวกับสภาวะจิตขณะที่สภาวะจิตกำลังดำเนินอยู่และกำลังย้อนไปเป็นเต่ากิ้งกือแมวโดยยังมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาจะสามารถปล่อยให้จิตดำเนินต่อไปหรือควรหยุดเข้าหาสมาธิเพื่อให้เกิดความบ้างคะ ตอนนี้เราไปคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิเพื่อให้มันเกิดความสงบกับความว่างเป้าหมายในการฝึกจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะความว่างที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นการว่างชั่วคราวใช้พลังสมาธิไปกดมันไว้ช่วงนี้เรามีพังสมาธิแม้กระทั่งเข้าไปในฌานนะนะความคิดมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราว่างความคิดเราก็ว่างแล้วก็เกิดความสงบนะเป้าหมายการ ฝึกจิตไม่ได้จบอยู่แค่สงบอย่างนั้นอันไปสนุบชั่วคู่เป้าหมายให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญารู้แจ้งแล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จางคายความยึดมั่นถือมั่นจากนั้นไปสงบตลอดการโดยไม่ต้องไปกดเหมือนไว้นะพรอครูพูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเหมือนเรากดสปริงไว้นะ่ะกดกดกดกดกดกดตั้งใจกดมันก็กดอยู่เห็นไหมพอเผลอไอ้ลูกโ ต, ต, ตชนปังเด้งเลย เห็นไหมกดสามสี่บปีกดจนนั้นนะ่ะพออุปคาากรรมมาเนี่ยเด้งพางเลยเนี่ยนะเราต้องทำลายสปริงซะทำลายมันทำลายมันทำลายมันมากที่ถูกดีดนิ้วว่างก็ต้องขันตีอย่าเพิ่งขันแตกนะอดทนมีมิริยาเมื่อเราทำลายสปริงแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเหล็กลวดเส้นหนึ่งไม่มีผลสำหรับเราไม่ต้องกดมันสงบตลอดการ ดับทุกดับพิต้นเหตุแห่งทุกไม่ใช่ไปอยู่แค่สมาธิสติที่มันไหลออกมาเนี่ยมันกําลังให้เราเรียนรู้เห็นไหมตอนนี้เราเห็นเต่ามันเดินอยู่มาดูเต่าเออไปเลี้ยงเต่าเรารู้ไหมเต่ามีอารมณอย่างไงเห็นไหมไม่รู้ตอนนี้เราเข้าไปเป็นเต่าแล้วเรารู้เลยมันมีอารมณอย่างไงเห็นไหมเราเกิดปัญญาแล้วนะนี่พี่แอดเนี่ยพี่แอดเนี่ยมีหน้าที่เปิด ให้เราปฏิบัติทุกวันเนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยเขาเห่าหอนเขาใช้ภาษาสุนักนะโหโหโหวันนั้นวิ่งไปช ง, ชงกาแฟเพราะกูว่าเฮ้ยสุนักกินกาแฟได้เลยก็บอกอมันบอกว่าได้ไงในเวลานั้นน่แกแกรู้อารมณ์สุนักหมดเลยนะเห็นหมมันไปฟื้นฟูอดีตเราไง นั่นแหละเมื่อเรารู้รู้ ร, รูพวกนี้เรารู้นกเป็นยังไงแล้วต่อไปเราจะฆ่านกไหมเห็นไหมเราฆ่านกก็เหมือนเราฆ่าเราเองไงบางทีนกบางตัวมันเคยเป็นพ่อแม่เรานะผู้เจ้าบอกให้ละเว้นไหนี่แหละคือเกิดปัญญาก็คือว่าเออมันเป็นกระเต่ามันเป็นกิ้งกืม่มเป็นแมวเลยแล้วก็รู้รู้รมันกำลงังล้างออกแล้วก็มันทําให้เราเรียนรู้นะว่าสัตว์เขารู้สึกยังไงเขาจะมีความรู้สึกด้วย นะอันนี้ไม่ใช่ถอยออกมาอยู่สมาธินะักอุตสาห์เข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเรียนไปถึงกาลังเรียนปริยายเอกอยู่วันดีขึ้นดีไปเรียนอนุบาลใหม่อย่างนี้นไม่ต้องดำเนินไปเรื่อยๆื่อแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปหลงมันอย่าไปติดมันนะรู้เฉยเฉย เป็นคููกรพิทักษ์พวกครูไม่เอ่ยชื่อนนะแกบอกชื่อมาอยู่เป็นครูกรพิทักษ์ค่ะลบกวนเวลานิดหนึ่งนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามค่ะตอนปฏิบัติที่พาานคอยลูกน้องเห็นว่าเราเป็นอะไรถึงสองคนลูกน้องเห็นว่าเราเป็นอะไรถึงสองคนและมันก็ตรงกับสิ่งที่เรานึกและคิดในส่วนลึกๆของใจ ของใจเราแต่เราไม่เห็นสิ่งนั้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะเนี่ยถามว่าทําไมลืมเวี่ยงทิ้งล่ะใช่ไหมลืมเสว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมลืมนะถึงจะถามว่าทําไมยังมีความอยากรู้อยู่เนาะบางครั้งเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเราสัมผัสจากความรู้สึกเราไม่ได้เห็นอะไรนะ แต่อาการที่เราแสดงออกมาข้างนอกเนี่ยคนเขาก็เห็นเห็นไหมเหมือนเลื้อยเหมือนงูมันอะไรเขาบอกว่าเป็นงูหรือเปล่าแต่ความรู้สึกเราว่าเออเราเป็นงูแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเราเป็นงูเนาะแต่บางคนเห็นเป็นนิมิตเลยนะนะแต่เห็นก็ช่างพรากูว่าเราเห็นแล้วก็เหวี่ยงทิ้งสักแต่ว่าเห็นรู้ว่าเราเป็นงูก็เหี่ยงทิ้งนะแต่ทีนี้ชีวิตเรากิเลสเรามันชอบเรียนรู้ไง เราเป็นนักฝ่เรียนรู้จะหาคำตอบแบบตะ ก, กะทุกเรื่องเ็นไหมก็ก็สั์แต่ว่ารู้นะไม่ต้องไปอยากรู้ข้อที่สองคนอื่นเห็นพบชาติคนอื่นเห็นพบชาติเราแต่เราไม่เห็นเป็นเพราะเรามีกรรมหรือเปล่าคะไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่มีกรรมแต่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นไม่เห็นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกรรมไม่ใช่ บางคนไม่ต้องเห็นเลยนะมันรั่งสิบพนาทีนี่ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วเราเราไม่ได้เห็นเป็นนิมิตเราสัมผัสเป็นอารมณ์นะเราสัมผัสอารมณ์นั้นนะส่วนไอเห็นนั้นไม่เห็นนั้นน่ะไม่สําคัญแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปติดมันอย่าไปพึงพอใจหรืออย่าไปลังเกียจมันนะ บางที่เขาสร้างนิมิตรตรงนั้นน่ะเพื่อให้เราเห็นอารมณ์นั้นเท่านั้นเองนะเหมือนบางคนนั่งน้ําตาไหลแต่ไม่ใช่โศกเศร้านะยิ้มเลยเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเห็นไหมเออฉันเห็นธรรมแล้วพวกครูบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นแต่เราเห็น เ, เห็นธรรมแล้วไม่ยอมบอกจากกรรมฐ า, านเลยกลัวพระพุทธเจ้าหาย จิตเดิมเราก็สร้างนิมิตมาสอบอารมณ์จิตปัจจุบันว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็ป่าปื้มสิปิติสิเห็นไหมถูกตีหัวละเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนนี่เหมือนเหมือนพระพุทธรูปนี้เลยคล้ายๆกันถามว่าเคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะไหมเห็นไหมเราเห็นจากอุปทานของเราเห็นเพื่อดูอารมณ์เราเรารู้สึกยังไง บอก็เวียงทิ้งเวียงทิ้งเรื่องอะไรเวียงพระพุทธเจ้าทิ้งหามาแทบแย่นะจิตฝ่ายจิตเดิมเราเนี่ยฝ่ายกิเลสเราเนี่ยเขารู้ว่าจิตปัจจุบันเนี่ยชอบอะไรกลัวอะไรเขารู้หมดเดี๋ยวมันสร้างนิมิตมาหลอกเรานะเอาไปนอไม่ต้องแยกแยะว่าจริงหรือเปล่าหรือเท็จ ไม่มีจริงไม่แต่อย่างหนึ่งในอดีตเราเคยเป็นต้นเป็นนี้แต่มันผ่านไปแล้วเป็นอนัตตาไปแล้วในปัจจุบันมันไม่มีแล้วเวี่ยงทิ้งไม่ต้องคิดวิเคราะห์เลยมันคืออะไรถ้าไปคิดปุ๊บเราถูกมันหลอกแล้วนะถูสาลามีหน้าที่ถูก็ถูไปเฮ้ยเม็ดนี้เปื่อนเพราะอะไรเอาไปเข้าห้องแรมนะไปหาอาจารย์เอาไปห้องแรมวิจัยวันเปื้อนเออเป็นหมึกนะต่อไปห้ามมอมหมึกเข้ามา ถูไปเม็ดนี้เปื้อนเอาไปห้องแผลอีกนะเป็นอะไรเป็นเป็นหมากฝรั่งนะขึ้นป้ายอีกต่อไปหมากฝรั่งเขามามัวแต่วิจัยถามว่านี่วันนี้ศาลามันจะถูเสร็จหรือเปล่านะรู้ว่ามันเปื้อนก็เอาความเปื้อนออกเฉยๆแล้วความสะอาดก็เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องไปรู้ทุกเรื่อง นะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรต้องรู้นะแต่เราไปติดบ่วงความรู้ไงเขียนเล่มแบบรู้ต้องรู้ต้องมีเหตุมีผลนักเหตุผลตอบพระครูนหน่อยหนึ่งว่าทำไมงูไม่มีขาทำไมคนต้องมีสองขาทำไมกัวมีสี่ขาตอบ ไม่ใช่เหตุผลมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติเนาะเวียงทิ้งเรามีหน้าที่ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสผู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราเพิ่มความรู้ที่เราความรู้ไปอ่านไอ้คำสอนผู้เจ้าเนี่ยคือรู้วิธีวางไม่ได้ไปว่ารู้มากนะรู้วิธีวางไอ้ความรู้ผิดเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มไห้ ไ, ไ, ไบอกให้เราเพิ่มความรู้อะไรเลยนะ สอนให้ลดล่าเรื่อที่เราทุกทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่มีนะเป็นเพราะเรามีเราถึงทุกเนี่ยหนึ่งเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดอีกอพอเกิดแล้วเนี่ยเขาก็ให้เครื่องมือเราให้ขันห้ามาให้อายตนะหกมาพวกเป็นเครื่องมือดํารงชีวิตเห็นไหมมีแบกขันอีกแล้วแล้วก็ไปหลงติดมันเห็นไหมทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะเรามี เรามีหน้าที่มาเวียงความมีนี้ทิ้งไม่ใช่ไปฆ่าตัวเองตายทาลายขันห้านี้นะเวียงความยึดมั่นถือมั่นความหลงในขันห้าทิ้งนั่นแหละเป็นทางพ้นทุกนะทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ให้เพิ่มเติมแม้แต่หนึ่งอย่างแม้กระทั่งบา ร, รมีสิบเนี่ยอย่าไปเข้าใจนะไปสะสมบรรมีกักตุนสะสมบุญยงสะสมบุ ญ, สสบญนี่กิเลสนะ นะเป็นกิเลสนะทําบุญตามบุญไม่ใช่บุญบุญคือเบาบาปคือหนักทําบุญคือเวี่ยงปึ้งออกไปเบาปึ้งเบานั่นแหละบุญทาบุญไปทบุญไปร้อยบาทนะเพื่อถวายพุทธเจ้าสาธุให้ถูกรวันที่หนึ่งให้ น, นี่ไม่ใช่บุญนะอันนี้คือค้ากำไรเกินควร ทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดความโลภความตนี่ออกนั่นแหละคือบุญนะก็เอาเป็นว่าเบี่ยงทิ้งอย่างเดียวอย่าพิจารณาไอ้มันจริงไม่จริงมันไม่จริงสัอย่างหนึ่งนะเริ่มจากตัวเราก็ไม่ จ, จริงแล้วมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟกับวิญญาณธาตุมันเป็นสิ่งสมมุติชั่วข่าวไม่จริงแล้ว เมื่อตัวเราไม่จริงเราจะไปเห็นอะไรมันจริงไหมมันไม่จริงเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่จริงอีกมันเป็นอนัตตานะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆอีกเรื่องค่ะบางคืนทําแล้วรู้สึกนอนไม่หลับจะเห็นแสงสีขาวๆเป็นเพราะอะไรนะเห็นแสงสีขาวๆอีกแล้วเนาะ แล้วก็เห็นเสียาวขาวก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นนะยังมีคําพ่วงอยู่คือเพราะอะไรอีกใช่ไหมเพราะอะไรก็เพราะเราอยากรู้ไงคําตอบคือเพราะเราอยากรู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องอยากรู้อยากคือที่มาของทุกข์พอรู่ปุ๊บ ก็ไปบันทึกความรู้ไว้เป็นสัญญาใหม่ก็ต้องมาเสีเวลาเบี่ยงทิ้งอีกนะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นนะถ้าเราเผอปุ๊บมันจะยินดียินลายมันจะพัฒนาไปสู่กับสุขกับทุกนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันจะไปขัดแย้งกับกิเลสความเคยชินเราที่เราฝึกให้เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้อยากรู้ทุกเรื่องนะมันนอนไม่หลับแล้วดีแล้ว เสียเวลานอนเวลานอนเราต้องเยอะแยะในหลุมฝังศพไม่ต้องกลัวอย่างช่วงครูบาอาจารย์ท่านมันเพ็นเพียนเนี่ยมุนไม่นเพ็นเพียนมันง่วงปุ๊บคือยังเอาไฟมาจี้หัวเลยโดดลงไปในน้ำให้มันเย็นเย็นไม่ให้มันนอนอีกอันนี้มันไม่นอนก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วไงไม่ต้องนอนทีนี้กิเลสเราไม่ยอมไงเอ๊ะฉันทาไมพอนอนไม่หลับปุ๊บเกิดความกังวลพานออกินไม่ได้ด้วยเป็นอุปทานนะ ตอนนี้จิตมันตื่นพอเราปฏิบัติปุ๊บเหนื่อยบางทีมันตื่นนะร่างกายมันก็พักเห็นไหมตอนที่เราอยู่ในท่านอนอย่มันไม่ได้ไปออกกําลังกายที่ไหนเลยมันก็นั่นคือมันมันมันพักแต่จิตมันตื่นจิตไม่มีวันเหนื่อยไม่มีวันง่วงนะมันตื่นทําหน้าที่ไปก็ปล่อยมันทํามันสว่างไปหมดโอเคก็ดูสว่างไม่ต้องไปติดสว่างนะสว่างก็ลิ้มรสสว่างนั้นนะ นี่แะถ้ามันไม่มีอะไรแปลกๆแล้วเนี่ยมันจะสอบอารมณ์เราได้เหรอเห็นหอันนี้สอบปุ๊บรู้เลยว่ามีคำว่าเพราะอะไรนั่นลหละคือเราละ่ะเราต้องหาคำตอบอีกเพราะอะไรเห็นหมนเราสอบอารมณ์ปุ๊บเราก็หลงหลงในที่มันสอบปุ๊บเราก็แสดงออกว่าเออมันเพราะอะไรเห็นไหมนี่คือเราเป็นนักคิดตลอด อยากรู้ตลอดเวลานะเมื่อเมื่อกี้ทานานาจิตตังพอตั้งมั่นมือขวาจะสะบัดทรายตลอดเวลามือซ้ายคอยควบคุมหมุนชาชาแต่พอเข้าไปลึกๆมือและแขนหมุนแรงทั้งสองข้างหมุนเป็นวงแล้วตัวก็เวี่ยงซ้ายขวาตลอดเวลา ต่อท้ายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะก็ <c oughs> บอกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็ดูมันไงว่ามันทาอะไรก็รู้แล้วนี่ก็เห็นชัดนะเห็นว่าแขนซ้ายแขนขวาเน่นก็ถูกแล้วก็เห็นมันทำอะไรนะไม่สักแต่ว่าเห็นไหมโด <c oughs> ยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์นะต้องหาคำตอบทีนี้ถ้าเราเอาคำตอบโอเครู้รู้หมดแล้วทีนี้เราสั่งให้คนอื่นทำตามเราเนี่ยมันทำไม่ได้นะ มันไม่ใช่ศาสตร์วิชาแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าเอาเอาเอ า, เอาหลักสูตรตัวนี้แล้วก็ไปสอนทุกคนทำเหมือนเรานะเธอเอาซ้ายหมุนช้าก่อนขวาหมุนแรงๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวล้มตายเลยนะมันไม่ใช่เกิดจากจิตนะเอาเป็นว่านี่แหละคือกิเลสความเคยชินเราเนี่ยแหละความรู้เราองความรู้เราเกิดจากการเรียนรู้ใช่ไหมเอาประสบการณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะก็ ทำไปเรื่อยมันจะเกิดความชำนาญเรื่อยนี่บางครั้งเนี่ยคนหนึ่งเจ็บขานะนะคุณยายคนหนึ่งเป็นแม่คุณหมอด้วยนะหมอหมอไม่กล้าผ่าตัดคนอื่นผ่าเอาผ่าเอาเพราะว่าถ้าไม่ผ่าเขาหาว่าเสียจัญญาแพทย์แต่จะผ่าแม่ตัวเองมือสั่นผ่าไม่ลงเพราะหมอเองก็ไม่แน่ใจนะผ่ามาที่นี่เห็นไหเพะจิตมันเวียงมือเวียงเวียงเวียงขาหายไง เมื่อขาหายเราเร า, เราถึงรู้อ๋อเรารู้งมันเวี่ยงมือทําไมโอ้เส้นมันดึงตึงกันเนี่ยนะนั่นแหละเราทําไปเรื่อยล้วก็อ๋อเองก็จบไม่ต้องถามว่าทําไมมันหมุนซ้ายหมุนขวาเร็วช้าอะไรเนี่ยไม่ต้องถามดูมันเฉยๆส่วนมากเผอนั่นแหละหลายคนเห็นปุ๊บก็หาคําตอบละบางทีเห็นไปด้วยก็ หาคำตอบไปด้วยนะวิจัยไปด้วยนะนะแทนที่จะปล่อยมัน 100% เลยเนี่ยมันก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยไป50าสิอีกห้าอยังแอบดูมันดูนะแอบดูมันอยู่เพราะวิจัยไปด้วยนะอย่างนั้นนะคือความอยากรู้อยากเห็นเราเหมือนชักกระยือจิตมันจะไปทางความอยากรู้ก็จะดึงมันมาดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยแทนที่จะเห็นชัดๆร้อนี่กับพลาดโอกาส เอาเวลาไปไปแอบดูนะแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นน้ำมันไหลมาไม่ใช่ไปนั่งโอ้มันไว้นะไว้นะไว้นะไว้นะคาดคณีเอานะเอาประสบการณ์ชีวิตเราน่าจะเป็น50บกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันมีไอน้ำด้วยเออมันน่าจะเย็นนะ้าเย็นนะ้าเย็นนะ้าก็คาดคณีเอาอีกมันน่าจะกี่องศามไม่ใช่ความรู้จริงนะมันเป็นจินตนาการ ภาวนาวิัญญาก็คือว่าโดดลงไปในน้ำเลยเป็นหนึ่งเดียวกับ น, น้ำมันเย็นร้อนยังไงรู้แบบนั้นแรงประทะยังไงรู้แค่นั้นรู้ก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องคิดเพิ่มเติมนี่คือวิปัสนาส่วนมากเนี่ยทำไปด้วยแอบดูไปด้วยวิเคราะห์ด้วยวิปัสสนึกนึกเอาเราจะพลาดโอกาสในการเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเห็นความจริงทั้งหมด มัวแต่เป็นนึกเนี่นักวิชาการฟังพ่อครูบรรยายแล้วเนี่ยบอกไม่เข้าใจเท่าไหร่พ่อครูพูดไปสิบคามัวจะไปคิดเรื่องคําแรกน ะ, นะต้องผ่านการสองข้อก่อนไอ้เก้าคำมันผ่านไปแล้วนะแต่พวกที่ศรัทธาจด็จเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรฟังเขาก็ฟังเขาก็ฟั ง, ฟงได้ได้สิบคาเลยเห็นไหมแต่เนื่องจากเราต้องผ่านการสองข้อก่อนเนี่ยเราก็พลาดโอกาสในการ เห็นคำพูดอื่นบางทีไม่ใช่เรื่องคําพูดเดียวมันต้องฟังทั้งหมดคําพูดเราถึงเข้าใจตรงนั้นแต่เราติดอุปนิสัยว่าต้องเอาไปสังเคราะห์ออก่อนไงเขาไปในจิตแล้วยังยังไปแอบดูมันอยู่นะเอ๊มันใช่หรือเปล่าวะเอ๊มันจริงหรือเปล่าวะเห็นไหมอันนี้แหละคือกิเลสเรากิเลสคือความเคยชินก็ยังไงก็ปฏิบัติไปเรื่รอยๆนะ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเกิดความชํานาญคือคนอื่นเขาทําท่าทางแต่ตัวเขาไม่หมุนเบี่ยงค่ะสงสัยมากเห็นไหมเขาทําท่าทางก็ไปสงสัยอีกไม่ใช่เรื่องเราไม่มีเรื่องทําก็ไปสงสัยเขาอีกเห็นไหมเอ๊ะทําไมเขาทําท่าทางเขาไม่ได้หมุนตัวก็ไปสงสัยอีกเห็นไหม เพราะความอยากรู้เราอีกเห็นหั้มไม่ใช่เรื่องเราสักหน่อยหนึ่งพยายามอ่ะพูดเองพยายามจะไม่สงสัยก็ดีแล้วนะยังมีแต่อยู่เห็นหแต่ก็มีอาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอยากเข้าใจค่ะเห็นหั้ยพยายามจะไม่สงสัยแต่ก็มีอาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ มีความอยากอีกอยากเข้าใจค่ะอย่าพึ่งลำคาญนะคะไม่หรอกครับแต่อย่าเสียเวลากับมันได้ไหมเออเอาเวลาเบี่ยงไปเรื่อยๆดีไหมขอขอบคุณพ่อครูและทุกคนที่ช่วยฉีทางสว่างให้ค่ะนั่นล่ละอย่าไปถามนะแล้วทำไมมันสว่างอีกนะ นั่นแหละมนุษย์เราทุกวันนี้นะมนุษย์เป็นตัวเป็นอะไรนะเป็นตัวอยากรูก้อยากรูก้ไปทุกเรื่องผู้เจ้าบอกแล้วตัวอยากคือที่มาของทุกไงไปส่งเสริมความอยากอยู่เรื่อยให้อาหารมันกินตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นไหนล่ะเห็นหมมันก็สร้างคำถามให้เราตลอดเวลาทีนี้เราจะวัดยังไงว่าเราจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้า มันมีประหลอดวัดนะประหลอดวัดคือวิสุทธิเจ็ดความบริสุทธิเจประการศีลวิสุทธิแล้ต้องดูว่าออปฏิบัติแล้วนี่ยศีลเราเป็นยังไงไม่ใช่ศีลแบบที่ถือนะศีลที่เราถือศีลมันเป็นข้อบังคับเด็ดที่เราไม่ทําเพราะเรากลัวผิดศีล ศีลที่มันเกิดขึ้นจากเราจริงๆล่ะในตัวเราเนี่ยความปกติเนี่ยมันบริสุทธิ์แค่ไหนนะเราก็ดูเราดูตัวเองนะไม่ต้องไปถามคนอื่นดูว่าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยศีลเราสมัยก่อนมันอยากมากเลยตอนนี้ตัวอยากมันลดลงไหมเห็นไหมอันนี้ตัวตัวตัวเริ่มต้นเลยนะตัวนี้ตัวหยาบๆยาเลยนะวิสุทธิเเนี่ยเจ็ดประการเนี่ยตัวนี้ตัวเริ่มต้นแล้วจิตเราล่ะจิตวิสุทธ์ไหม เราก็ดูตัวเองปฏิบัติมาแล้ว้จิตเรามันบริสุทธิ์ขึ้นไหมเออความโลภความโกรธความหลงมันยังแรงเหมือนเก่าหรือเปล่าเห็นไหมเมื่อกี้นี่มีคนหนึ่งบอกว่าเออปฏิบัติมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยนิ่งลงเก่านิ่งลงกับเรื่องสามีแล้วยังเงียบได้เห็นไหมอันนี้ก็บริสุทธิ์ระดับหนึ่งเห็นไหมแต่สําหรับลูกแล้วก็ยังวียนอยู่เห็นไหมเราก็ดูตรงนี้นกังขาวิตรณวิสุทธ ข้อกังขาข้อสงสัยเราเนี่ยอ่อนลงไหมคาว่ากังขาวิจารณาวิสุทธ์ก็คือว่าไม่มีข้อกังขาเลยไม่มีข้อสงสัยอีกแล้วไม่มีสงสัยศรัทธาตั้งมั่นนั่นแหละเราต้องดูไงเรายังมีไหมถ้ายังมีตัวอยากรู้อยากเห็นอยู่เนี่ยสมัยก่อนอยากรูอยากเห็นร้อยปปฏิบัติมาแล้วมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันอ่อนลงไหมนั่นแหละ วัดความก้าวหน้านะมรคมักขยานทนวิสุทธ์หมายถึงว่าการเจริญมรคของเราเนี่ยมันมันมั น, มนบริสุทธิ์ขึ้นไหมเห็นหทั้งมรคภายในมรคภายนอกเราเราก็ต้องดูไงดูพฤติกรรมเราเองว่า ม, มันอ่อนลงไหมใช่ไหมปฏิปฏาาทาญาทัศนะวิสุทธ ปฏิปทาคือพฤติกรรมเราเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยังไงเพราะครูยกตัวอย่างให้ตัวเองฟังนะ44ปีวิ่งไปตามโลกศิลห้าบอกไม่ให้ทํำไรทําหมดไงทำหมด น, หมดนะหรืออย่างเดียวไม่ทําคือยังไม่ฆ่าคนนั้นนี่พอมันระเบิดตุ้มปุ๊บ26ปีนี่มันเป็นยังไงมันหยุดทุกอย่างแม้กระทั่งหยุดคิดด้วย เนี่ยเราก็เห็นไงเราก็เห็นว่ามันมันเปลี่ยนแปลงยังไงเห็นเนี่ยเราดูตัวเอง น, ะนั่นคือประหลอดวัดและไอตัวสุดท้ายตัวสูงสุดนะคือญาณทัศนวิสุทธญาณเนี่ยคือตัวรู้คือตัวปัญญามันบริสุทธ์จนไม่มียานมันมีก็เหมือนไม่มี แต่ตอนนี้เรามุ่งหาเข้าไปในฌานเพื่อเกิดยานรู้ต้องการมีฤทธิ์มีเดชแล้วเอาลิดเดชไปอวดกันอะไรอะไรอันนั้นยังไม่วิสุทธิเป็นยานซึ่งไม่วิสุทธิมีอามิตรอยู่นะถ้ามันระเบิดตัวเองแล้วเนี่ยตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นคนมียานแต่มันไม่ใช่มีมียานรู้นะมันมียานรู้แต่มีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันไม่ไปติดมันเลย นั่นแหละอันสุดท้ายก็คือยานทัศนวิสุทธ์มันบริสุทธิ์จนไม่ต้องไปติดยานอะไรทั้งนั้นปัญญาก็ไม่ใช่เมื่อตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนมีปัญญาไม่มีเนาะนั่นแหละไอ้นี่คือประลอดวัดเราเองเน่แล้วก็ดูอยากรู้แล้วก็มาดูดู ทําทไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเออย่างน้อยๆตอนนั้นขี้โมโหร้อยเปอร์ซนตตอนนี้ลดเหลือ5้าสซำหรับสามีไม่โมโหแล้วแต่ยังโมโหลูกอยู่เพราะรักเป็นห่วงมากไง ก, ก็ลดได้ส่วนหนึ่งก็กถือว่ามีก้าวหน้าก็พ่อครูวันนั้นก็พูดเรื่อง พระพุนพุทธเจ้านะพระองค์บอกว่าหนทางแห่งพุทธมีข้อบกพร่องสองอย่างคือหนึ่งไม่ยอมเริ่มต้นสองเริ่มต้นครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไม่ยอมดําเนินต่อไปจริงๆแล้วหนทางแห่งพุทธไม่มีจุดบกพร่องเลยไอ้บกพร่องนั้นมันเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลคนขนั้นเท่านั้นเอง ที่ไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไม่ตั้งมั่นศรัทธากล้ากลัวๆไม่ทุ่มเทร้อยอร์เซนะ เ, ออเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะเหมือนองคุริมาปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งมีอภิญยาแปงลงร่างได้มีฤทธิ์แล้วก็ไปหลงฤทธินั้นคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้ว เรายังจะไปทำลายผู้เจ้าอีกเนี่ยสุดท้ายก็ตกนรกใช่ไหมระวังนะเรื่องจิตวิญญาณเราปฏิบัติมาพอแนวเราก็ไม่ล่าเว้นนะไม่ใช่แนวพวกครูบัญชาก็ปลอดภยัยปลอดภยัยถ้าฟังพวกครูเวียงทิ้งอย่างเดียวอันนี้เรื่องอะไรเวียงขามาเกือบตายฉันมีหูทิพตาทิพและเรื่องอะไรจะเวียงนะหลายปีก่อนมีกลุ่มหนึ่งนะซุบซิบกันบอกอย่าไปฟังพครูนะ อย่ไปเวียงทิ้งนะแล้วก็เกาะกลุมพูดถึงเรื่องอภินญาอย่างไงแล้วยังไงเดี๋ยวมันเ ด, เดียงทีละลายเนอะเห็นไหมยังมีความโลภความต้องการอยู่บอกเวียงทิ้งเวียงทิ้งไม่เอาไปหลงความสามารถมันเห็นไหมนั่นแหละระวังนี่ก็เป็นมารอย่างหนึ่งนะอภิญญาพวกทิพยญาตจักษุหูทิพตาทิพทิพยโสต อะไรเนี่ยรู้วาละจิตเขาเจอะไรเนี่ยระวังมันน่าติดมากน่าหลงมากเพราะมันพิเศษไงยุคนี้ใครไม่ชอบพิเศษบ้างที่เราเรียนก็ต้องการเก่งกว่าคนอื่นนั่นแหละที่เราทําอะไรต้องการได้พิเศษกว่าคนอื่นนั่นแหละเมื่อไปเจอสิ่งพิเศษแต่เรื่องอะไรฉันจะไปเหวี่ยงทิ้งเอาไม่เหวี่ยงทิ้งรักชอบยังไงก็กอดมันไว้ตัวใครตัวมันนะแต่อย่าไปบอกว่าศูนย์สอนอย่างนั้นนะศูนย์ไม่เคยสอนอย่างนั้นสอนให้เหวี่ยงทิ้งอย่างเดียว วิเศษนี่ไม่ใช่เราเก่งนะไม่ใช่เราฝึกปุ๊บเราจะเราเจอวิชาวิเศษนะมันเป็นเรื่องเก่ามันฝึกมาแล้วก็เราวิเศษมาหลายชาติแเราถึงได้มาเกิดอีกไงเรามาปฏิบัติเพื่อเบี่ยงความวิเศษนั้นทิง้งซะเพื่อจะไม่เป็นผู้วิเศษเป็นคนพ้นทุกข์ถ้ายังเป็นคนวิเศษอยู่เนี่ยมันจะไม่พ้นทุกข์นะดีไม่ดีเป็นคนทรงด้วยนะ อวดอุตริมนุษยธรรมนนะก็เป็นกรรมไงอดีตเราติดมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี่เราจะมาเหวี่ยงมันทิ้งนะมีโอกาสเจอแล้วยังไปส่งเสริมอดีตอีกไปยึดมั่นถือมั่นกับอร่างนี้แล้วแล้วมันจะไปไหนล่ะใช่ไ้มมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละแม้กระทั่งสมาธินะหลวงพ่อชานี่ท่านสอนอาณาปณสติอาณาปณาาสติ เป็นหนึ่งในอนุสติสิบอยู่ในหมวด40กรรมฐานเป็นส ม, มะถะกรรมฐานเป็นตัวสตาร์เตอร์นะเป็นตัวบิ๊กนิ่งเเอาตัวนั้นก่อนเออเมื่อชำนาญแล้วท่านก็บอกให้ก้าวไปสู่วิปัสสนาเห็นหั้ยเพราะครูตอนเด็กๆยังจำได้เนี่ยท่านเตือนว่ามวัวจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนตอนนั้นก็งงอยู่เ อ, อถือศีล น, นั่งสมาธิมันก็ดีเนี่ย ท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะท่านบอกมันจะไปไหนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นไงอันนี้นี่มีคนนึงบอกว่าเข้าไปเป็นเต่าเป็นอะไรเอ๊ะจะดึงไปอยู่สมาธิได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเลยสมาธิไปแล้วยังจะกลับไปอยู่สมาธิอยู่หรอือเนี่ยมันจะไปไหนเห็นไหมก็ดําเนินต่อไปมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นบางครั้งว่าเป็นอุบายวิธีทําไปมาก็ไปหลงติดอุบายนั้นเห็นไหม ตอนนี้ตั้งลทัทธินิกายแข่งกันเอาอุบายนั้มนมาเป็นแบรนด์เนมเลยนะอันนี้ค่ายนั้นอันนี้ค่ายนี้อันนี้ค่ายนี้เอาชื่ออุบายวิธีมาเป็นค่ายแล้วเขาก็หลงติดว่าเขาต้องยึดมั่นถือมั่นในอุบายวิธีแล้วมันจะไปไหนมันก็ติดอุบายนั้นน่ะตอนนี้กลายเป็นอย่างนั้นหมดนะใช้คำว่าหน้าเสียดายมากมีบุญเยอะเลยได้เจอคําสอนที่วิเศษขนาดนี้แต่เขาไปคิดแบบเหตุผลแบบนักวิชาการแบบตักกะ แบบเรียนวิชาการไงใช่ไหมเมื่อวานนี้มีแขกบ้านแขกเมืองลงมานะชาวตะวันตกคุยกับพ่อครูพ่อครูก็ยืมไอ้ส้มลูกหนึ่งกับอาจารย์อ้อยนั่งอยู่นั่นอาจารย์อ้อยเอามายืมหน่อยหนึ่งพ่อครูก็ให้เขาถือเอาถือนะหนักไหมบอกเขาว่าตอนนี้ไม่หนักบอกให้ถือเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ให้นอนด้วยหนักไหมเขาบอกมันหนัก จะทำให้มันเบายังไงเขาก็บอกว่างถูกแล้ววางไม่มีเทคนิควางไม่ต้องมีวิชาการไปเรียนรู้วิธีวางเห็นไหมเราควรจะไปเรียนรู้วิธีวิธีแล้วติดไปหลงติดกับวิธีนั้นนะมันจะไปไหนล่ะเนี่ยหลวงพ่อชาบอกว่าเธอถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีบอกว่ามันจะไปไหนแล้วสุดท้ายไปไหนรู้ไหมก็ออกไปแต่งงานไงแเอาไปไหนก็ออกไปแต่งงานไง ไม่ใช่ไปนิพพานนะนันแหละมันไม่ไปไหนนะมันก็ออกไปแต่งงานไงไม่ใช่แต่งงานดีไม่ดีนะถ้ามันจำเป็นต้องแต่งก็แต่งเถอะอย่าไปทุกข์กับมันนะมีความสุขจริงๆนะเออพวกคูเคยเขียนในคติธรรมเนี่ยหลายปีก่อนตอนนี้ยังอยู่มัดีที่หนึ่งไม่ต้องแต่งงานดีที่สองแต่งแล้วไม่ต้องหย่านะก็ชอบแต่งแล้วอย่าไปหยานะ ดีที่สามยาแล้วไม่ต้องแต่งอีกนะบางคนอยาแล้วก็แต่งเพราะว่าเออเราแต่งผิดเราอาจจะแต่งถูกคนก็ได้นะไม่เจ็บแล้วไม่จานะคิดเลยมันก็อ้างอยู่เรื่อยนะแต่พวกคุณไม่ได้บอกมันไม่ดีนะดีหมดดีที่หนึ่งที่สองที่สามมันไม่ใช่ไม่ดีนะอยู่ที่ว่าใครจะทำดีที่หนึ่งได้เท่านั้นเองทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้อ่อนลงนะผู้หญิงเราไม่กลัวละ สมัยก่อนผู้หญิงตอนโบราณรุ่นพ่อครูน่ยเขากลัวมากเลยจะถูกว่าขึ้นคานกลัวมากพ่อครูว่าจะขึ้นคานหรือจะขึ้นเ ข, ขียงเลือกเอานะขึ้นเขียงให้เขาสับไหมให้เขาโขกใช่ไหมสนุกดีเนาะก็เมื่อเลือกแล้วนี่ต้องสุกนะนะดีที่สองนะแต่งแล้วใหญ่นะ ถ้าถ้ามันไม่ไหวจริงๆน่ก็อย่าไปทนอยู่เลยก็อย่าแล้วก็อย่าคิดแต่งญิงนะอันนี้ไม่โอฉันแต่งผิดเอาคนใหม่น่าจะถูกนะไหมนี่แหละดีที่หนึ่งตัวเราเองเนี่ยบางทีกินข้าวเผลอเลยกินแบบมันอร่อยมากไม่บรรยัญญบบรรยัญญงบางทีมันเผลอเนี่ยฟันยังกัดลิ้นตัวเองเลย มันอยากกัดไหมมันไม่อยากกัดหรอกเรื่องไรกัดตัวเองมันยังกัดเลยนะแล้วไอ้คนสองคนมาคนละทิศคนละทางบางทีมันไม่เผือกัดกันบอกนะนะมั น, มนคนเราเนี่ยมันเป็นกรรมร่วมนั่นแหละเจ้าชายศิริษฐาก็แต่งงานไม่ใช่ว่าแต่งงานดีไม่ดีก็มาใช้นี่กรรมเนาะนะเพราะพนางยโสธราเนี่ยอธิษฐานจิตไว้ แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยตามกระแสอธิษฐานเนี่ยมันก็ผูกไปอีกหลายชาติไงเห็นไหมพวกเราถูกด่านะหลายคนถูกด่าพวกในพวกสิ้นคิดพวกสิ้นไห้ไม้ตอกโดยเฉพาะผู้หญิงน ะ, นะตอนน้องขีเนี่ยไปบวชเนี่ยคุณย่าเนี่ยอาม่าเนี่ยทุกมากนะยิ่งผู้หญิงมาบวชเนี่ยเา เขไม่ค่อยยอมรับนะผู้ชายบวชยังยอมรับนื้อว่าพวกนี้เนี่ยหมดอะไรตายอยากสมนาก ค, คนอกหักทั้งนั้นนะ <_ d ata> เดี๋ยวที่นี่ไม่ชี่ใครอกหักบ้างยกมือขึ้นเ <_ d ata> ห็นไหมโอ้ยเวียงทิ้งหมดแล้วไอ้เจ้าเอนะนางสาวเอ <_ d ata> เหลืออย่างเดียวเวียงไม่ทิ้งบอกอ ก, อกหักเพราะแฟนไม่รัก <_ d ata> บอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักไม่ใช่เป็นเพราะแฟนไม่รักเป็นเพราะเธอไปหลงรักเขาต่างหาก โง่เบี่ยงทิ้งซะเราเองทั้งนั้นแหละไปโทษคนนั้นคนนี้เนาะหรโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเออคนบวชชีต้องอายุกเกษียณก่อนหกสปีขึ้นไปใช่ไม้มสาวๆมาบวชนี่สงสัยอกหักผิดหวังอะไรหรือเปล่านเขาจะมองอย่างนั้นนะ แลมองพวกนี้ไม่มีอนาคตนะเขาอวยพอเรานะเราเริ่มไม่มีอนาคตแล้วเห็นหแล้วเราเป็นคนสิ้นคิดแล้วเราเพี้ยนจากสายตาเขาแล้วสาเร็จสามวิชาแล้วนะเหลือวิชาเดียวเท่านั้นไม่มีวันผุดวันเกิดจงทำต่อไปแต่ทุกท่านเราไม่อดทนนะเราจะสู้คำเรียกว่าคำอะไรคำวังดีต่ต คนเขาหวังดีกับเราได้ไหมหวังดีประสงค์ลายเขาหวังดีในทางโลกเขากลัวเราจะไ ม, มาา ไ, ไม่มีอนาคตก็ดีแล้วไงไม่มีอนาคตก็ดีแล้วไงเห็นไหมจะได้ไม่ต้องวันไปผุดวันไปเกิดใช่ไหมแต่ที่นี่คนโลกเขามองไม่เหมือนเราไงเห็พ่อครูเนี่ยไม่ต้องพูดถึง26่สิบหกปีแรกๆนี่โดนมาหมด อยู่เมืองนอกดีๆหยุดชีวิตก็อยู่หยุดซี่ขี้เกียจหาเงินก็แอนจอยหาความสุขไปเรื่อยๆมาอยู่ในป่าทำไมทไมเขาก็ว่าพระครูบ้าไงผู้หวังดีแต่ถ <ja)> ้าเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราไปแคร์คำพูดเขาเนี่ยแล้วยังไงล่ะเห็นไหมนั่นจะเดินต่อไปได้หรือเปล่าใช่ไหมบางคนก็อ้างนะโอ้ยทำไม่เต็มที่เพราะยังมีแม่อยู่ พอแม่จากไปแล้วนี่ก็อ้างยังอื่นอีกกิเลสมันร้ายกาจมากนะร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าอ้างอยู่ตรงนั้นแหละหนทางแห่งพุท ธ, ธะเนี่ยง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดง่ายจนไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเห็นไมไม่ต้องขออนุญาตใคร ไม่ต้องไปเข้าคอสเรียนที่ไหนมีศาสตร์ไดง่ายขนาดนี้แต่ยากที่สุดเพราะกิเลสมันไม่ยอมกระแสกรรมเรามันไม่ยอมเหม็นถ้าเราไม่มุ่งมั่นจริงๆไม่ศรัทธาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรมันยากเพราะอะไรเพราะมันง่ายเกินไปมันเป็นเส้นผมบางภูเขา คนเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อนะแต่เมื่อเรามีบุญแล้วนะพวกเราได้เดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ตั้งมั่นเดินต่อไปอย่าผัดวันประกันพุ่งนะมีเนี่ยมีวัดไม่ไกลนะอยู่ตำบลข้างเคียงเนี่ยเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมแบบนี้ปฏจจิบัติยากอย่าเสียเวลา หาเงินเยอะๆทำบุญเยอะๆสะสมบุญไว้ไปเกิดยุคพระศรีอานเขาสอนแบบนั้นนะเห็นั้ยอยู่กับพระพุทธเจ้าดีๆไม่เอาจะไปเจอพระศรีอานเพราะคูบอกไปเกิดแน่ๆยุคนั้นไปเกิดแน่ๆอาจจะเป็นกิ้งกือหรือไสเดือนก็ได้เนี่ยผัดวันประกันพุ่งมีเพชรเม็ดงามไม่เอานนัน่นะกิเลสมันร้ายมาก ยิ่งยุคนี้แหละถ้าเราแหกโผได้นั่นแหละนิพานอยู่ใกล้ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ใกล้หรอกมันอยู่ข้างในเรียบร้อยละมันรอเราอยู่แต่เราเข้าไปใกล้มันแล้วถ้าเราไม่มีกรลำจริงจริงๆนี่เราแหกโผไม่ได้หรอกยุคนี้นี่ยุคทุนนิยมวัตถุนิยมนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงของเราเนี่ยังไม่พอเลยที่จะแก้ปัญหาสร้างความร่ำล่ำรวยเนี่ยเราจะมีเวลาที่ไหนมาทำไอ้เรื่องยิ่งมาเจอไอ้เวอร์ชั่น บ, บ้าบ้าบอบอแบบนี้เน่ยเราจะกล้าบ่เห็นไหม เรามีความกล้าหานพอสมควรแล้วเรามีกําลังพอแล้วเราถึงจะกล้าถอยมาไงเออถอยมาแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะถอยมาเจอไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เวอร์ชั่นแบบนี่ที่เขาเขาเข้าใจยากเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะเหมือนเหมือนมันล่อนนะมันล่อนล่อนล่อนล่อนล่อนล่อนดูว่าใครไม่ใช่ก็ออกไปนะเราถูกล่อนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อถึงตรงนี้แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ย อย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปนะตั้งมั่นเดินต่อไปล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อนะเจ็บก็สักแต่ว่าเจ็บอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะมานมันก็จ้องเราอยู่อุปคาตกรรมมันก็จ้องเราอยู่เป็นธรรมดาไม่ต้องไปกลัวมันนะไม่ต้องไปกลัวโดยเฉพาะมันมาตอนที่เรากำลังบำเพ็ญเพียรนี่อย่างน้อยน้อเนี่ย คำว่าผ่อนหนักเป็นเบาเนี่ยไม่ใช่กรรมนั้นมันนรก ถ, ถอนมันก็มาร้อยนั่นแหละแต่กำลังเรามากกว่าเห็นไหมเราก็ทนความกระทบนั้นได้แต่ถ้ามันไปเอาตอนที่เราเดี้ยงนะจิตใจเราอ่อนแอใส่นั้นที่นี้ลูกเดียวจบเลยนะชาตินี้หมดเลยนะเห็นไหมอย่างน้อยเราใช้ชีวิตที่นี่โอกาสที่เราจะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมันก็ไม่ค่อยมี เห็นไหมสมัยก่อนเราเดินทางบ่อยๆเนี่ยไม่รู้รถชนกันเมื่อไหร่เห็นไหมแล้วก็ไปซิ่งไปแข่งขันกับเขาไม่รู้เขาชยิงทิ้งเราเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่า <c oughs> คือคือมันเป็นกรรมนี่ยเพราะว่าโอเคเราเลือกไปใช้ชีวิตในเขตอุตสาหกรรมเราก็อ้างว่ามันจําเป็นชีวิตเราเป็นนักอุตสาหกรรมเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็สูดสารพิษไปตลอดเวลาก็เป็นกรรมไงอันนี้เป็นกรรมเฉพาะหน้ากรรมปัจจุบันเลยนะ เพราะเราตัดสินตา่างตามความอยากของเราไงทุกคนก็อ้างจำเป็นไงทำไมชาวเขามันไม่อ้างอ่ะเห็นไหมพอเกิดซึนามีปักใต้หลายปีก่อนนี่ยนะอุย้ยร้องไห้กันใหญ่เลยนะตายทั้งหมดหลายประเทศสองแสนกว่าคนนะไม่กี่วันเนี่ยคนที่ตายเนี่ยซากศพนั้นกลายเป็นคลายๆขยะจัดการจัดการเรียบร้อยเผาก็เผาฝังก็ฝัง คลีนทำความสะอาดชายทะเลใหม่ตกแต่งสร้างสวยๆกว่าเก่าแลวบอกฉันต้องอยู่ต่อไปเพราะมันเป็นอาชีพวันไหนเขากดออดส่งสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ทุกกันมากชาวเขามันไม่เอานะมันไม่เอาเศรษฐกิจมันเอาชีวิตฉันไปอยู่บนเขาปลอดภัยกว่าเห็นไมพวกเรามันอ้างความจำเป็นอะ มันก็จำเป็นระดับหนึ่งแต่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องเอาชีวิตเราไปเสี่ยงไหมเห็นหพวกเราโดนโดนทุกคน่ะไม่ต้องพวกครูก็โดนเยอะเหลือเกินนะโอ้ยอาจารย์บัญชามาอยู่ที่นี่เปลืองตัวความรู้ความสามารถขนาดนี้ไปทำงานใหญ่ๆได้เลยเขาบอกเราเปลืองตัวไม่รู้ใครเปลืองกันแน่นะ้ แล้วมาอยู่ที่นี่เราถนอมตัวเองต่างหากเลยไปเปลืองได้ยังไงถนอมถนอมมันนะไม่ต้องไปแบกบไปหาเหมือนสมัยเก่าแล้วนะนี่แหละแต่เขามองในแง่ว่าเราเปลืองตัวไงแทนที่จะไปทําเขาเรียกว่าทําประโยชน์นะประโยชน์คืออะไรไม่ไปหาเงินมากขึ้นไงมีบางคนมาถามพ่อครูพ่อครูทําไมไม่ไปหาเงินเหมือนเก่าแล้วเอาเงินมาช่วยเหลือคนจนเขาคิดแต่เรื่องเงินมันคนช่วยเหลือคนจนได้เหรอ คนรวยก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะมันยังไม่พอนะไม่ใช่ให้เงินเขาช่วยเขาได้นะต้องให้ปัญญาเขาเนี่ยเราคิดแบบทางเราเพราะคูรู้พรกพวกเพื่อนฝูงที่รักเรานนินเราเข้าใจเขาหมดเลยเพราะเราเคยเป็นแบบเขามาแล้วแต่เขาไม่เคยเป็นแบบเราเขาจะไม่มีวันเข้าใจหรอกแต่พ่อครัได้ยินพะเกิดนิ่ง เพียงแต่ว่าเขาให้ข้อคิดเขาเตือนสติเพราะเขาหวังดีกับเราเขาไม่มีเจตนาลายเราได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจบนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจตนาไม่ดีแฝงด้วยอะไรด้วยเนี่ยคำติชมกลายเป็นคำด่าแล้วเนี่ยมันก็ตีกลับเนาะเนะพราะครูก็นิ่งอยู่กับเพราะครูไม่อยากไป ให้เขาให้โอกาสเขาสร้างกรรมนะแล้วก็ถึงมาอยู่เงียบๆนิ่งๆอย่าไปร่วมสังกกรรมกับเขาเดี๋ยวเขาจะบาปนี่แหละพวกเราต้องมั่นใจต้องดูว่าเอเรามาทำอะไรกันอยู่เราต้องอตอบโจทย์ตัวเองได้ชัดๆมันจะได้เดินทางอย่างไม่มีข้อกังขาไม่มีลังเลอย่างอื่นเนี่ยสิ่งสมมุติทั้งนั้นจริงๆแล้วลูกก็สมมติหลานก็สมมตินะมีลุงป้าคู่หนึ่งมาถามพครูแกไม่มีลูกหลอก เ, อ, อ, เ อ, อมันสมมุติได้ยังไงก็เห็นเขาตั้งทองอยู่จริงๆเลย เ, ยเขาก็คลอดออกมาจริงๆเลยแก <c ười> ถามแบบซื่อๆนะคุณป้าน ะ, น ะ, ะพเพราะคูณบอกจริงเหรอถ้าลูกเราจริงๆนะชาติน่าต้องเป็นลูกเราอีกนะเห็นไหมยิ่งถ้าเราเลือลึกชาติได้ด้วยลูกของเราบางทีมันเคยเป็นพ่อแม่เราเลยนะมันก็เป็นลูกชั่วคราวในชาตินี้เป็นสมมติเห็นไม ธรรมชาติเขาไม่ได้บอกเราสักหน่อยนึ่งนี้ลูกเธอนะคำว่าลูกเนี่คนคนเราสมมุติชื่อเอาขึ้นมานะเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าลูกเราสัหน่อยหนึ่งแต่เราไปว่าเอ้ก็เราคลอดมาเราอุ้มท้องแล้วก็ของเราสิเห็นไหมเราคิดเราเองนะเราไปหลงติดว่าเป็นลูกเราตอนนี้ประเทศไหนก็ช่างเราแผ่นดินโลกเนี่ย มาออกโฉนดเนีเออ่นี่ที่ดินของฉันที่ดินของฉันโลกใบนี้เป็นของมนุษย์เราแผ่นดินโลกมาเป็นของฉันฉันจะเจาะน้ํามันอะไรก็ได้เพราะมันอยู่ในประเทศฉันข้างล่างก็เป็นโพรงไงเพราะเกิดซืีนับบีมันก็ดูดน้ำเข้าไปแต่แรงโน้มถ่วงก็เปลี่ยนเห็นไหมโลกมันก็เอียงไง น้ำบาดาลก็เปลี่ยนทิศเ น, นี่ยไหมเนี่ยโลกของฉันนะกําหนักนะมันไม่ใช่ของมนุษย์มันของสรรพสิ่งและฉนดที่ดินฉันเออที่ของเธอในชะ่ไหมวันที่ตายแนละ้วเธอเอาไปด้วยนะเห็นไหมบางรัฐที่เขาตายแล้วเนี่ยเขาก็เผารถเบนเทียมไปให้ด้วยเห็นไหมเผาฉนวนเทียมไปให้ด้วยไงเห็นไหมอย่าลืมเอาไปนะเอาไปด้วยนะ ที่ตู่ว่าเป็นของเราของเราเมื่อไหร่เห็นไหมที่ศูนย์เนี่ยเห็นไหมเออสมัยก่อนพ่อ ก, กูก็แลกเปลี่ยนชาวบ้านซื้ออะไรอะไรเพราะแถวนี้มันเป็นหินเป็นบาลานคอยปลูกแล้วไหมพ่อ ก, กูก็หาที่ดีๆให้เขาไปปลูกพ่อคูก็กกแรกกับเขาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเออในทางโลกเขาต้องมีกฎหมายแล้วเขขึ้นทะเบียนในส ป, ปกรเป็นศูนย์บาลานคอยมันไม่ใช่ของใครนะพกกน่อครัวมาถือสิทธิ์ที่นี่นะพ่อคูก็ไม่มีสิทธิ์ อย่าไปหลงมีสิทธินะไปแบกมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะเราก็อยู่เราก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติสูงสุดไม่ใช่ว่าตัวกูของกูแบบอาจารย์พุทธทาสบอกทุกข์นะไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์เราขี้ตู่เริ่มจากว่าโลกใบนี้ของมนุษย์โลกมนุษย์แล้วก็ประเทศของฉันประเทศของเธอแล้วก็แยกลงมาชนวนของฉันฉนวดของเธอ เห็น ไ, ไหมสัตว์แล้วมันจะไปอยู่ไหนล่ะเห็น ไ, ไหมโลกใบนี้ก็ของสัตว์ด้วยของต้นไม้ใบหญ้าของสปปรรพสิ่งหมดมนุษย์เราเนี่ยอะไรกันนักหนาเห็น ไ, ไหมขี้ตู่น ะ, นะก็ทุกข์สิทุกต้องไปนั่งเฝ้ามันนะทุกต้องไปรักษาของฉันวันจะตายตายไม่ลงเพราะว่าเอาของฉันไม่ได้เอาของฉันไปด้วยไม่ได้ไงเอาไม่ได้ไม่พอนะ ที่หามาสะสมกักตุนให้ลูกหลานมันฟ้องร้องกันตีกันฆ่ากันแย่งมรดกอีกเป็นกรรมนะเนี่ยเราไม่เข้าใจความจริงตามธรรมชาติเราคิดอะไรจากความอยากของตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะก็พอแลวเนาะไม่งั้นมันไม่อยู่นะ